พวกเราจะเคยได้ยินสำนวนสำนวนหนึ่งที่เขาใช้เปรียบเปรยนะถึงคนประเภทหนึ่งนะออย่างที่เขาเรียกว่าอะไรนึ่งเป็นหลับขยับเป็นกิน่นนนะ น, น, น, นะนิ่งเป็นหลับะขยับเป็นกินแต่บางที่เขาไม่ใช้คําว่ากินนะสำนวนจริงเขาใช้คําว่าแดกหนึ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกนะนี้หมายถึงคนนะคนกลุ่มหนึ่งซึ่งถ้าอยู่นี่หนึเหมือนอะไรก็หลับนะ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 แต่ว่าถ้าตื่นเมื่อไหร่หรือว่าขยับนะก็จะฟุง้งจริงจริงตอนหลับก็ไม่ใช่หลับเฉยๆนะหลับก็ฝันไปด้วยอย่างที่เขาเรียกว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุง้งกลางคืนฝันกลางวันฟุ้งแต่ว่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นกลางคืนแคฝันนะเพราะว่ากลางวันแต่ถ้าอยู่นิ่งๆไม่ขยันขยับ ก, บก็ก็หลับเหมือนกันแล้วก็ฝันเอาคนส่วนใหญ่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 หยุดขายยาเมื่อไหร่ไฟก็ค่อยมอดเหมือนกับนักปฏิบัติจํานวนมากะจะรู้สึกตัวได้ก็ตอนยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมแต่ว่าพอหยุดสร้างจังหวะอยู่นิ่งๆนะความรู้สึกตัวค่อยลดลงลดลงลดลงเหมือนกับไฟที่ค่อยหลีลงหลีลงแล้วก็ดับก็คือง่วงแล้วก็บางทีก็สับประงกไปเลยอันนี้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 มีความสึกตัวอยู่แต่เฉพาะการเดินจงกรมสร้างจังหวะพอหยุดจงเดินจงกรมเมื่อไหร่พอหยุดสร้างจังหวะอย่างเช่นมันนั่งฟังเนี่ยพอนั่งฟังนี่ก็ความสึกตัวค่อยหลีลงหลีลงหลีลงแล้วก็หายไปนะกลายเป็นหลับแล้วก็ตามไปด้วยสับปะงกเนี่อันนี้ยังไม่ใช่เป็นยังไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติที่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 นะเราต้องรู้สึกตัวแม้กระทั่งในการเคลื่อนไหวที่ละเอียดนะอย่าไปอย่าไปรู้สึกตัวหรือว่าตื่นแต่เฉพาะเวลามีความรู้สึกตัวเวลามีการเคลื่อนไหวแบบหยาบหยาบนะไอความรู้สึกตัวด้วยการเคลื่อนไหวแบบหยาบหยาบนี่มันยังไม่พอนะยกมือสร้างจังหวะเดินจงกลงมอันนี้ยังถือว่าหยาบอยู่เราต้องทําให้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันมันไวนะ เกิดขึ้นด้วยแม้เพียงการขยืนขยับเพียงเล็กน้อยลมหายใจเข้าออกนะรู้สึกคลือน้ำลายก็รู้สึกหรือว่ากระพริบตาก็รู้สึกหรือว่าถ้ายังทำไม่ได้แล้วก็ใช้วิธีการคลึงนิ้วไปก็ได้อย่าไปติดอยู่กับการสร้างจังหวะอย่างเดียวนะพอพออยู่สร้างจังหวะเมื่อไหร่ก็จะง่วงงกได้ง่าย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 การเคลื่อนไหวที่ละเอียดที่ย่อยลงไปอย่างที่บอกนะการเคลืนนิ้วก็ดีนะการตามลมหายใจการกระพริบตากลื่อนน้ําลายนะให้เราใช้ลองใช้อิเลียบทย่อยอย่างนี้ดูบ้างเมื่อเป็นเช่นนี้นะันก็ไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ว่าดิ่งเป็นหลับนะขยับถึงรู้สึกนะแล้วก็จะพัฒนาเป็นว่านิ่งก็รู้สึกขยับก็รู้สึกนะ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 รู้สึกตัวได้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างหยับหยาบแม้การเคลื่อนไหวที่ละเอียดแม้การเคลื่อนไหวที่ประหนี่ก็รู้สึกได้เพราะว่าใจเราเนี่ยนะมันมันเริ่มละเอียดนะใจเราเริ่มละเอียดนะเพียงแค่การเคลื่อนไหวเล็กน้อยนี่ก็สามารถปลุกใจให้ตื่นได้ไม่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวอย่างหยับหยางนั้นถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติใจปฏิบัติไปจิตเราก็จะละเอียดละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้น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 นะที่มันอยู่ก่ออยู่ที่โต๊ะจิตของเราก็เหมือนกันนะใหม่ๆนี่เราก็ปฏิบัตินี่ก็รู้สึกว่าไอความคิดต่างๆมันความปรุงแต่งน้อยลงแต่ถ้าเราปฏิบัติไ ป, ปไปไปปฏิบัติก็จะรู้ว่าโอ้มันยังมีความปรุงแต่งที่ละเอียดกว่านั้นอีกเยอะนะแล้วมันก็แม้จะเป็นความปรุงแต่งที่ละเอียดนี่เราก็สามารถที่จะรู้ทันได้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 แม้แต่การเคลื่อนไหวที่เล็กๆน้อยๆอยก็สามารถจะขย่อจิตให้ตื่นได้เช่นกับพิบตากลือ น, น้ำลายนะตามลมหายใจแนวปฏิบัติก็ต้องนะต้องฝึกการใช้ออลิยาบทย่อยเอลิยาบทที่ประณีต ด, ด้วยนะไม่งั้นถ้ากิดว่าไปติดอยู่กับแค่การใช้การเดินจงกรมหรือการสร้างจังหวะ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 โปรกความรู้สึกตัวให้เกิดมีขึ้นอย่าไปติดอยู่กับแค่การใช้อิเลียบทยับหยาบเท่านั้นอิเลียบทยับหยาบนี่มันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเวลาเราเวลาเราเราลืมตัวไปอย่างอาจารย์ประโมท่านเคยเล่าว่าสมัยหนึ่งเนี่ยก็ลองมาฝึกปฏิบัติแนวหลวงพ่อเทียนดูมีความรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวตอนนี้เป็นคารวาสอยู่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 มันก็ไปเรียกเอาความสึกตัวกลับมาหรือไปเรียกจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะเป็นแบบนี้นะก็ได้นะเพราะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวที่เราฝึกให้หรือแนะนำให้มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมออย่างเช่นในระหว่างการฟังเร า, า จ, จะคลึงนิ้วไปหรือเราจะสร้างจังหวะไปนะอันนั้นก็เพื่อว่าตอนที่ใจมันเผลอ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 เวลาเราดูก็เหมือนกันนะเวลาเราดูอย่างเวลาเราดูภาพเนี่ยดูภาพใหญ่ๆเนี่ยเราต้องดูรวมๆถ้าเราไปจ้องที่มุมใดมุมหนึ่งนะเราก็จะไม่เห็นภาพรวมของภาพนั้นก็ไม่เข้าใจว่าภาพนั้นเขาต้องการซื้ออะไรไอการเพ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทําให้เห็นชัดแนะบางทีมันทําให้กลับทําให้ไม่ชัดเจนในสิ่งที่รับรู้โดยซ้ำไม่ว่าจะรับรู้ทางตาหรือว่ารับรู้ทางทางหู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 ถ้าไม่เพ่งก็ใจลอยมันเป็นความสุดโตงสองอย่างถ้าไม่เพ่งก็ใจลอยถ้าไม่อยากให้ใจลอยก็ต้องเพง่งก็คือการบังคับจิตนีเน่เป็นธรรมชาติของใจแต่ว่าเพราะนั้นพอเวลาเริ่มมาฝึกให้ใหมีให้รู้สึกตัวเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะเพง่งเพ่งที่มือนะเพ่งที่เท้า แล้วมันก็จะหลอกเรานะว่าเป็นวิธีที่ถูกเพราะว่ามันรู้สึกชัดเจนดีนะเวลาเราเพ่งเนี่ยเพ่งที่ทา้าเพ่งที่มือเนี่ยมันจะชัดเจนมากแต่ว่าชัดเจนมากๆนี่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่วิธีที่ถูกนะหลวงพ่อมเขียนท่านเคยเปรียบว่าไ อ, อเวลาไปเพ่งเนี่ยเพ่งมือก็ตามเพ่งเทา้าตามความรู้สึกมันจะมันจะให้ความรู้สึกเรียกว่าถีบยิบเหมือนกับคล้ายๆเป็นเหมือนกั บ, กบเหล็กเส้ น, นเหล็กเส้นนะเนี่ยมัน มันเป็นเส้นเลยนะเป็นเส้นตรงเลยจากความรู้สึกตัวเนี่ยมันเวลารู้สึกตัวเวลาเคลื่อนไหวมือแล้วรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเป็นขณะดขนาขนาเปรียบเหมือนกับโซ่นะแต่ละข้อแต่ละข้อที่เชื่อมร้อยกันโซ่กับเล็กเส้นนี่มันต่างกันนะชอบความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโซ่คือค่อยๆรู้สึกแต่ละขณะแต่ละขณะต่อเนื่องกันนั่นแหละคือความรู้สึกตัว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 ทำผิดแล้วเพราะว่าถ้ารู้สึกตัวเนี่ยมันจะสบายๆมันจะไม่เครียดนะทำแล้วเครียดทําแล้วรู้สึกแน่นหน้าอกนะอันนี้ให้รู้ว่ามันเป็นเพ่งเป็นการเพ่งแล้วทําไมถึงแน่นหน้าอกนะเพราะว่ามันจะมีความพยายามไปบังคับจิตพยายามบังคับจิตให้ไปจิตความคิดนะคนเวลาเพ่งเนี่ยมัน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 เราปฏิบัติเป็นวันหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันและพอเพ่งนะคอยจ้องความคิดนะมันก็จะอดกาั้นหายใจไม่ได้และพอกั้นหายใจบ่อยก็จะรู้สึกหน้ามืดจะรู้สึกเครียดขึ้นมาอาการเหล่านี้มันมันบ่งบอกว่าทาไม่ถูกเราไม่ได้ใช้ความรู้สึกตัวแต่เ ร, เราใช้การเพ่ง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 ความสามารถที่จะรู้ทำได้จนพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมาแล้วพุทธเจ้าก็สอนสอนด้วยการเปรียบเทียบกับผินสามสายเพราะว่าพะโสนาเคยเป็นคนที่ดิดผินก็ถามพะโสณาว่าเนี่ยถ้าผินเนี่ยมันขึงตึงไปเนี่ยเพราะไหมดีแล้วเพราะไมก็ไม่เพราะถ้าผินเนี่ยขึงหย่อนไปเพราะไหมไม่เพราะ ต้องขึงพอดีพอดีแล้วกุญจากต็ตอบว่าเนี่ยต้องให้มีความเพียรแต่พอดีให้มีความเพียรแต่พอดีเพียรมากไปก็ไม่สำเร็จเหมือนกันนะเพียรน้อยไปก็ไม่ถูกพระสนาก็เข้าใจนะแล้วก็วางใจพอดีคาว่าเพียรแต่พอดีเนี่ยนะจริงๆแล้วท่านก็หมายถึงวางใจพอดีพอดนะียิ่งคิดจะเอาคิดจะเอาหรือคิดจะไปห้ามความคิดนี้ก็ยิ่งยิ่งทาให้เครียดมากขึ้น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 อ๋อละคำนี้ก็พูดกับท่านี้